พุทธธรรมฉบับรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่สิบหกองประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่สามหมวดสมาธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตจัดต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าสิบห้ามรกข้อที่หกสัมมาวายามะ องค์มรรคนี้เป็นข้อแรกในหมวดสมาธิจัดเข้าในอธิจิตตสิกขามีคำจำกัดความแบบพระสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นฉไหนนี้เรียกว่าสัมมาวายามะคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งยังชันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียร ยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดขึ้น 2. องยังฉันท่าให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อล่เสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วส ยังฉันท่าให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสี่ยังฉันท่าให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นพ <ipe iana. S 1> เพื่อความดํารงอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อพินโยภาพเพื่อความไพ่บู์เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนในอภิธรรมมีคำจำกัดความเพิ่มอีกแบบหนึ่งดังนี้สัมมาวายามะเป็นฉไฉนการกระดมความเพียรคือวิริยารำพะทางใจความก้าวหน้าความบากบันความขมักขม่นความพยายามความอุตสาหะ ความอึดสู้ความเข้มแข็งความมั่นคงความก้าวหน้าไม่ลดละความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระการแบกทูนเอาธุระไปวิริยะวิริยินทรสีวิริยพละสมมาวายามะวิริยะสัมโพชงที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่า สัมมาวายามะในคำจำกัดความและความหมายทั้งหมดนี้พึงสังเกตความสำคัญของชันทะที่เป็นตัวนำของสัมมาวายามะและเป็นสาระหลักของความเพียรทั้งหมดสัมมาวายามะอย่างที่ยากเป็นสีข้อตามคำจำกัดความแบบพระสูตรนั้นเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า สมรภูรานหรือประทานสี่แปลเป็นไทยอย่างง่ายๆว่าความเพียรถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบและมีชื่อเรียกเฉพาะสำหรับความเพียรแต่ละข้อนั้นว่าหนึ่งสังวรประทานเพียรป้องกันหรือเพียรระวังอากุศลที่ยังไม่เกิดสอง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 ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายหรือชอบใจไม่ชอบใจรอบงามได้ยอมรักษาจากคุณสีถึงความสำรวมในจากคุณสีฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องผลทพะด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็เช่นเดียวกัน 2. ปหาณประทานได้แก่ภิกษุไม่ยอมให้กรมมรตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้ยอมละเสียบรรเทาเสียทำให้หมดสิ้นไปเสียทำให้ไม่มีเหลืออยู่เลย 3. ภาวนาประทานได้แก่ภิกษุ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 ซากอยู่ด้วยในชื่อใดชื่อหนึ่งการเน้นความสำคัญของธรรมะข้อนี้อาจพิจารณาได้จากพุทธพจน์เช่นธรรมะนี้เป็นของสำหรับผู้ปรารบความเพียรมีใจสำหรับคนเกียดคร้านภิกษุทั้งหลายเรารู้ชัดถึงคุณของธรรมะสองประการคือหนึ่ง ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลังในการเพียนบำเพ็ญเพราะฉะนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้ว่าเราจะตั้งความเพียนอันไม่ถอยหลังถึงจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งเกิดไปก็ตามที ยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงลุถึงได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วที่จะหยุดยั้งความเพียรเสียเป็นอันไม่มีเธอทั้งหลายพึงศึกษาช น, นี้แหละการที่ต้องเน้นความสำคัญของความเพียร น, นั้นนอกจากเหตุผลอย่างอื่นแล้วยอมสืบเนื่องมาจากหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่ว่า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 ทุกคนจึงจำเป็นต้องเพียรพยายามสร้างผลสำเร็จด้วยเรี่ยวแรงของตนไม่ควรคิดหวังและอ้อนวอนขอผลที่ต้องการโดยไม่กระทำหลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้จึงมีว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังอาขาตาโรตถาคตาความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางให้